ส่วนท่านที่สิ้นกิเลสภายในใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทยอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันยังครองโถอยู่ท่านเหล่านี้แหลเป็นผู้ควรได้รับคําว่านิพพานโดยเฉพาะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะหมดทางเกี่ยวเกาะวกเวียนขณะจะนิพพานก็ไม่ได้มีความกังวลห่วงใ ย, ยกับสิ่ง ใ, ใดๆกระทั่งขันที่กําลังจะแตกทลายในขณะนั้นอยู่แล้วทั้งนี้เพราะใจท่านหมดคําว่าห่วงว่าห่วงทั้งภายนอกภายใน ทั้งใกล้ทั้งไกลโดยตลอดทั่วถึงขณะ จ, จะลาโลกแห่งขันกลาลากันแบบดับสนิทไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวทั้งมิได้คิดว่าจะไปอยู่โลกนั้นจะมาอยู่โลกนี้จะไปสวยผลดีอย่างนั้นจะมาสวยผลชั่วอย่างนี้อันเป็นการทําใจให้กระเพิ่มคุณมัวแต่เป็นความพงที่และพอตัวโดยสมบูรณ์ของจิต ด, ดวงวิมุตติหลุดพ้นแล้วมิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของส ม, มุติมีขันเป็นต้นแต่อย่างใด เป็นผู้ปราศจากการสถานที่ไม่มีสมมติแม้ปรมาโนเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจดวงบริสุทธิ์ล้วนแล้วนี่แหละท่านเรียกว่านิพานของท่านผู้สิ้นความกังวลหม่นหมองขณะครองขันอยู่ก็ไม่ได้เศร้าโศกขณะวิโยคพัดพรากจากไปก็ไม่ได้เสียใจเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นคําว่านิพานจึงเป็นคําพิเศษสําหรับท่านผู้เป็นบุคคลพิเศษจะครองโดยเฉพาะไม่มีผู้ใดจะกล้าเข้ายึดครองได้ ถ้าไม่ทำใจให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก่อนไม่เหมือนสมบัติอื่นซึ่งอาจมีเจ้าอำนาจเข้ายึดครองได้ทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอมเช่นเลือกสวนไร่นาเป็นต้นใครอยากเป็นเจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเองรอนั่งเซนนอนเซนเอาเฉยๆคงไม่มีหวังตลอดกาลท่านอาจารย์มั่นจึงเป็นเจ้าของประวัติที่ได้รับยกย่องชมเชยและเลื่อมใสาจากหมู่ชนแทบทั่วประเทศเขตแดน และได้รับทำเครื่องรื่นเริงจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เพราะท่านเชื่อทำทำจริงจึงได้พบเห็นแต่ของจริงของปลอมไม่มีในใจท่านแม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอมหลอกลวงตามธรรมชาติของมันท่านขบปลดปล่อยไว้ตามเรื่องไม่ได้ยึดถือแบกหามไปด้วยสิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงไม่แปรผันก็คือทำของจริงที่เห็นแล้วทำนั้นจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปทำลายได้ เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกทำลายด้วยการของมันเองตลอดมาท่านพักอยู่ในป่าในเขาลึกจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่ามีการเจ็บป่วยหลายครั้งบางคราวแทบเอาตัวไม่รอดจนหมอไม่รับรองถ้าเป็นคนธรรมดามีชีวิตลมหายใจอยู่กับยากับหมอแบบไม่มีจมูกของตนเองเป็นที่หายใจก็คงจะผ่านไปนานแล้วแต่ท่านเองยังพอรอดตัวมาได้ด้วยอานาจธรรมโอสถเยียวยารักษาไว้ได้ทุกครั้งที่ป่วยไข้เดืทุก ต่างๆท่านว่าธรรมโอสส ต, ต้องเกิดมาพร้อมกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกันในทันทีทันใดไม่รอชักช้าท่านอาจารย์มั่นมีสายอย่างนั้นปกติท่านไม่ค่อยชอบเกี่ยวข้องกับหยุกยาเท่าไรนักแม้ตกมาวายชรากำลังวังชารดราร่วงโรยลงเป็นลำดับท่านก็ยังหนักในธรรมโอสถเป็นเครื่องประสานธาตุขัน์อยู่เสมอมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในเขากับพระสามองค์ด้วยกัน ซึ่งที่นั้นชุกชุมไปด้วยไข้ป่าพระเอิญพระองค์หนึ่งเกิดเป็นไข้จับสันขึ้นมาแม้ยาเม็ดหนึ่งก็ไม่มีรักษาเวลาจับไข้แล้วตั้งวันก็ไม่สางตอนเช้าตอนเย็นท่านอาจารย์ไปเยี่ยมไข้และให้อุบายต่างๆเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อระ ง, งับไข้ดังที่ท่านเคยได้ผลมาแล้วเสมอแต่พระองค์นั้นไม่สามารถพิจารณาตามท่านได้เพราะภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันมากเวลาจับไขท้ทีไรต้องปล่อยให้สางเอง ไม่มีอุบายพิจารณาแก้ไขพอไข่ลดลงบ้างเลยท่านอาจารย์เองคงนึกตำคาญเลยทําเป็นดุเอาเสียบ้างว่าท่านนี้มีแต่ชื่อว่ามหามหาแต่ความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยด้วยแก้ไขบรรเทาตัวเองในเวลาจําเป็นบ้างก็ไม่ได้ท่านไปเรียนให้เสียกระดาษเปล่าและเอาแต่ชื่อมหาเปล่ามาทําไมการเรียนความรู้ทุกแขนงต้องเรียนมาเพื่อช่วยตัวเองแต่ความรู้ท่านมหาเป็นความรู้ ประเภทใดก็ไม่รู้จึงไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเจ้าของเป็นไข้แทบตายอยู่แล้วความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นมาช่วยบรรเทาให้เบาลงบ้างเลยท่านเรียนมาเพื่ออะไรกันแน่ผมยังแปลไม่ออกผมไม่เห็นได้เรียนเป็นมหาป ร, ริญญาอะไรแม้ประโยคเดียวก็ไม่ได้กับเขามีแต่กรรมฐานห้าที่อุปชัยยะมอบให้แต่วันอุปสมบทเท่านั้นติดตัวอยู่ทุกวันนี้ก็ยังพอรักษาตัวได้ไม่เห็นอ่อนแอเหมือนท่านที่เรียนมากแต่อ่อนแอมาก ท่านนี่อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงที่เพิ่งได้รับการศึกษาเลยผู้ชายทั้งคนมาหาทั้งองค์ทำไมจึงอ่อนแอนักเวลาเป็นไข้ไม่เห็นมีลักษณะผู้ชายและการเรียนรู้ทำแฝงอยู่บ้างเลยควรเอาเครื่องของผู้ชายทั้งหมดไปมอบให้ผู้หญิงเสียแล้วไปขอเอาเครื่องของผู้หญิงมาสวมใส่เข้าไปจะได้เป็นผู้หญิงไปเสียทั้งคนไข้ก็อาจจะลดลงบ้างเพราะมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงคงไม่กล้าทรมานอย่างรุนแรงมาเยี่ยมทีไร แทนที่จะเห็นท่าทางองค์อาจกล้าหาญพอให้เบาใจได้บ้างแต่กลับเห็นแต่ความใจน้อยอ่อนแอเป็นประจำเรื่อยมากรรมฐานและมหานั้นเรียนมาทําไมไม่พิจารณาบ้างท่านว่าทุกขังอริยสัจจานั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้อ่อนแอและเวลาเป็นไข้ขึ้นมาคอยแต่จะร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างนั้นหรือถ้าเช่นั้นก็เป็นกรรมฐานปลอมละสิเพียงทุกขเวทนาเกิดจากไข้เท่านี้ก็จะทนไม่ไหวบทถึงเวลาจวนตัวเข้าจริงๆ ไม่ล้มละลายไปแบบไม่เป็นท่าหรือเราเริ่มมเป็นท่าแต่บัดนี้แล้วจะเห็นสัจธรรมมีทุกข์สัตว์เป็นต้นเป็นของจริงได้อย่างไรผู้จะพ้นจากโลกสมมติต้องเห็นสัจธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนแต่นี้เพียงทุกข์สัตว์เริ่มตื่นนอนออกล้างหน้าล้างตากระดุกกระติกนิดหน่อยเท่านั้นก็เริ่มยอมอย่างหมอปลาบแล้วจะไปที่ไหนกันได้เล่าพอท่านให้อุบายเผ็ดร้อนบ้างเป็นการอย่างเสียงดูจบลงนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง มองไปเห็นท่านมาหาองค์นั้นกำลังร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเปียกหน้าท่านเลยหาอุบายหนีไปในขณะนั้นและก่อนจะไปทำท่าปลอบโยนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหายผมแกล้งว่าให้ท่านมาหาอย่างนั้นเองแล้วก็ไปที่พักพอตอนกลางคืนท่านคงพิจารณาหายาขนาดใหม่ขนาดที่ให้ไปแล้วอาจจะแรงไปบ้างสำหรับคนไข้รายนี้ที่ใจไม่เข้มแข็งพอช้าวันหลังและคราวต่อไป ท่านเปลี่ยนยาขนาดใหม่โดยสิ้นเชิงคือไม่ได้นำกิริยานั้นมาใช่อีกต่อไปเลยคราวนี้มีแต่แสดงอาการปลอบโยนเอาอกเอาใจใหญ่คล้ายกับไม่ใช่ท่านอาจารย์มั่นคนเก่าเลยพูดจาด้วยเธอคำไพเราะอ่อนหวานเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลเป็นกระสอบกระสอบทุ่มเทลงทุกเชา้าทุกเย็นจนหวานหอมไปทั่วบริเวณหมอแกโรคอ่อนแออย่างบอกไม่ถูกทั้งสังเกตคนไข้อาการดีขึ้นหรือซุดลง ทางวางยาเคลือบน้ำตาลทุกเช้าเย็นจนเห็นผลประจักษ์ใจทั้งคนไข้คนดีมีความสุขโดยทั่วกันคนไข้ก็ค่อยหายวันหายคืนไปเป็นลำดับจนหายสนิทแต่กินเวลาหลายเดือนกว่าจะหายขาดได้นับว่ายาขนาดสุดท้ายได้ผลดีเกินคาดนี่คืออุบายท่านที่เปรียบกับหมอผู้ฉลาดทั้งภายนอกภายในคลิกได้ทุกท่าทุกทางไม่จนสติปัญญานามาใช้ได้ทุกกรณีจึงควรถือเอา เป็นแบบฉบับของชาวเราผู้กําลังสแสวงหาความฉลาดใส่ตนที่นํามาลงก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านบ้างอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเป็นอุบายวิธีของท่านผู้ฉลาดมีปัญญาหลักแหลมไม่จนแต้มจนมุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตามปกตินิสัยท่านพระอาจารย์มัน่นเวลาเข้าที่ขับขันจน ม, มุมท่านชอบคิดค้นด้วยสติปัญญาไม่อยู่เฉยเฉยเช่นเวลาจีบไข่หรือเวลาพิจารณาไปเจออังกฤษตัวสาคัญเข้าจนหาทางออกไม่ได้ นั่นแหละคือเวลาคับขันจิตจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ต้องหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนจนเกิดอุบายพัญญานำมาแก้ไขทันเหตุการณ์และผ่านไปได้เป็นพักๆไม่จนมุมท่านเคยเห็นผลทนองนี้ตลอดมาแต่เริ่มออกปฏิบัติจนอวสานเวลามีพระไปอาศัยอยู่กับท่านและเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท่านมักจะเตือนด้วยอุบายต่างๆเพื่อระ ง, งับอาการไม่ให้หนักไปในทางหยุกยาจนเกินไป และเพื่อเกิดอุบายต่างๆอันเป็นวิธีพิจารณารมไปด้วยในขณะเดียวกันท่านถือว่าทุกเขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจเป็นเรื่องของสัธจธรรมโดยตรงต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ไม่ปล่อยให้ทุกย่ำยีอยู่เปล่าๆเหมือนคนไม่ได้รับการศึกษาอบรมธรรมมาเลยเฉพาะท่านเองเคยได้อุบายต่างๆจากการป่วยมาเป็นลําดับไม่เคยปล่อยให้ทุก เ, เวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยต่างๆย่ำยีอยู่เฉยๆ โดยมิได้พิจารณาให้รู้เรื่องของมันบ้างเท่าที่สามารถเวลาเช่นนั้นท่านถือเป็นความจําเป็นที่ต้องพิจารณาจนสุดความสามารถเพื่อเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาว่าจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือมีความล้มเหลวไปอย่างไรบ้างแล้วแก้ไขดัดแปลงกันใหม่จนเป็นที่พอใจว่าสติปัญญาที่เคยอบรมและฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานขณะเข้าสู่สงครามคือความทุกข์ทรมานใจไม่มีความหวันเกรงต่อความจริงคือทุกขสัตย์ อันเป็นสัจธรรมของจริงทุกส่วนสติปัญญาเขาทำหน้าที่ทันกับเหตุการณ์ไม่มีความสถานวันไหวกับพายุคือทุกที่โห้งกันมาทุกทิศ ท, ทุกทางเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางสามารถพิจารณาทะล่อมเข้ามาสู่หลักความจริงได้โดยตลอดดังนั้นท่านจึงชอบใช้อุบายแก่บรรดาศิษย์หนักไปทางพิจารณาทุกขเวทนาเพราะเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาสตาความเพียรให้เข้มแข็งแกร่ง เวลาเอาจริงอาจารย์คือขณะขันจะแตกจะไม่ต้องกลัวมหันต ท, ทุกที่แสดงตัวอย่างเต็มที่ในเวลานั้นผู้พิจารณารู้เท่าทันขันดังกล่าวนี้อยู่ก็สบายตายก็มีชัยชนะสมกับเป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งไม่ต้องเป็นยอดใครที่ไหนได้เราและเป็นยอดเราแล้วเป็นพอตัวท่านอาจารย์มั่นนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่างได้ทั้งภายนอกภายในความเพียรความอดทน ความอาถรรพ์ความฉลาดภายนอกภายในความสันโดษและมักน้อยนับว่าท่านเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันยากจะมีลูกศิษย์คนใดล้ำหน้าท่านไปได้ท่านมีทั้งหูทิพตาทิพและปรัจิตวิชาคือฟังได้ทั้งเสียงสัตว์เสียงมนุษย์เสียงพูดผ í, ีเทวบุตรเทวดาอินพรมยมยะยมนาะเห็นได้ทั้งสัตว์มนุษย์ที่เป็นกายและวัตถุหยาบทั้งที่เป็นกายทิพ เช่นเปรตผีเทวดาเป็นต้นรู้ได้ทั้งจิตสัตว์จิตมนุษย์ว่ามีความเศร้าหมองผ่องใสประการใดตลอดความคิดปรุงต่างๆที่คิดอยู่ภายในบางครั้งแม้จะตัวผู้คิดขึ้นเองก็ไม่รู้ว่าได้คิดอะไรไปบ้างเพราะเปิดทางให้ความคิดนึกไหลออกสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสติควบคุมรักษาบ้างเลยกระทั่งได้ยินปัญหาท่านเป็นเชิงท่าขึ้นมาถึงระลึกได้บางรายยังโมเซ่ ไม่ทราบว่าท่านพูดอะไรให้ตัวบ้างก็ยังมีจึงน่าสลดสังเวชจุมาสําหรับปลายเช่นนั้นเวลาอยู่กับท่านไม่จําต้องอยู่ต่อหน้าท่านก็ได้เพียงอยู่ภายในวัดหรือในสนักเดียวกับท่านก็พอแล้วขณะคิดขนองไปต่างๆแบบปล่อยตัวไม่มีสติเวลามาหาท่านจะได้ยินคําพูดแปลกๆออกมานในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ยิ่งไปหารคิดเรื่องลึกลับในเวลาอยู่ต่อหน้าท่านไว้แล้วจะเป็นเวลาท่านกําลังแสดงธรรมอบรมอยู่ก็ตาม เวลาสนทนาธรรมคันอยู่ก็ตามหรือเวลาหรือเวลาอื่นใดก็ตามในเวลานั้นจะได้ยินคําพูดหรือคําตอบเป็นเชิงไม่เรียลหรือเป็นอุบายแปลกๆอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจนได้นอกจากท่านขีดเกียนเท่านั้นจึงปล่อยไปตามกรรมในบางคราวตามที่พระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์และเคยอยู่เชีงยงใหม่กับท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องหูทิพตาทิพและประจิตวิชาของท่านว่าน่าอาัศจรรย์และน่ากลัวมาก เฉพาะปรัชิตวิชารู้สึกว่าท่านรวดเร็วมากใครคิดไม่ดีขึ้นที่ใดขณะใดเป็นได้การทันทีแทบทุกครั้งฉะนั้นเวลาอยู่กับท่านต่างองค์งต่างระวังสำรวมอินทรีย์อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นต้องโดนแน่ไม่มีทางปิดบังหรือหลีกเลี่ยงได้บางครั้งมีพระบางองค์คิดเรื่องท่านดุอยู่โดยลาพังตนเองเหตุที่จะคิดก็เพราะกลัวท่านมากพอมาหาท่านท่านเริ่มตอบปัญหาทัานทีว่าแทบทุกสิ่ง ไม่ว่าอาหารหรือที่อยู่เครื่องใช้สร้อยนุ่งหม่มต่างๆก่อนจะสําเร็จรูปมาใช้ประโยชน์ได้ต้องผ่านการจัดการทําการหุงการต้มการฟันการถาการเลื่อยการใส่การปักการทอมาอย่างเต็มที่ไม่ใช่หรืออยู่ๆก็สําเร็จรูปออกมาให้อยู่กินใช้ส้อยอย่างสบายไปเลยอย่างนั้นไม่เคยมีเพราะโลกนี้เป็นโลกสร้างอยู่สร้างกินไม่ใช่โลกนอนอยู่เฉยๆแล้วเกิดมาเองเห็นแต่คนตายเท่านั้นเองที่นอนอยู่เฉย ไม่ต้องทําอยู่ทํากินไม่ต้องดัดแปลงแต่งมัน ญ, ญาติความประพฤติไม่ต้องมีครูอาจารย์ดุด่าสั่งสอนก็เรายังไม่ตายและยังแสวงหาครูอาจารย์ให้อบรมสั่งสอนอยู่แต่แล้วกลัวอย่างไม่มีเหตุมีผลและคิดว่าท่านดุท่านดาถ้าท่านไม่ว่าอะไรเลยก็จะคิดไปว่าท่านไม่สั่งไม่สอนก็ยิ่งจะร้อนเข้าไปอีกเลยไม่มีอะไรพอดีมีแต่เรื่องคิดแบบโดดขึ้นโดดลงทํานองว่านอนตัวโดดอยู่บนกิ่งไม้ โดดไปโดดมาถูกกิ่งไม้ผูกก็ลงนอนกับพื้นเท่านั้นเองเราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบโดดกิ่งไม้ผูกหรือจะเอาแบบพระผู้มีครูอาจารย์คอยบอกกล่าวสาั่งสอนบางทีถามเจ้าของต้นเหตุเสเองเพื่อได้สติระลึกรู้ตัวได้ว่าได้คิดอย่างไรไปบ้างบางครั้งก็อธิบายเปรียบเปลยไปรธรรมดาแต่รวมแล้วเพื่อเจ้าตัวได้ระลึกรู้ในสิ่งที่คิดไปแล้วนั้นว่าไม่สูญหายไปไหนยังกลับมาให้เจ้าของได้ฟังอีก ทั้งอย่างได้รู้ความผิดถูกของตัวคราวต่อไปจะได้ระวังสำรวมไม่คิดแบบเปิดเปิงไปถ่ายเดียวบางครั้งท่านเทศอย่างเผ็ดร้อนและในบางขณะยังได้ยกเอาองค์ท่านออกเป็นหลักฐานในทางความเพียรเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวอาถารไม่กลัวตายก็มีเพื่อปลุกใจบรรดาศิษย์ให้มีแก่ใจโดยเทศเป็นเชิงว่าถ้าใครกลัวตายเพราะความเด็ดเดี่ยวทางความเพียรผู้นั้นจะต้องกลับมาตายอีกหลายภพหลายชาติไม่อาจนับได้ ส่วนผู้ใดไม่กลัวตายผู้นั้นจะตัดภพบชาติให้น้อยลงถึงกับไม่มีภพชาติเหลืออยู่และผู้นั้นแหลจะเป็นผู้ไปไม่กลับหลังมหาทุกขอีกตัวผมเองสลบไปถึงสามผลเพราะความเพียรกล้าเวทนาทับถมยังไม่เห็นตายและยังรอดมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะอยู่ได้หมู่เพื่อนทําความเพียรยังไม่ถึงขั้นสลบสลายเลยทําไมจึงกลัวตายกันนักหนาเล่าทําไมตายไปพักหนึ่งก่อนก็น่ากลัวไม่เห็นทําอัจฉ ร, รย์ใครจะเชื่อหรือไม่ ผมก็ได้ทำมาอย่างนี้รู้เห็นทำมาบ้างตามกำลังก็ด้วยวิธีนี้แล้วจะให้สอนหมู่คณะว่าค่อยเป็นค่อยไปนะฉันให้มากนอนให้มากขีเกตให้มากกิเลสจะได้กลัวอย่างนี้ผมสอนไม่ได้เพราะไม่ใช่ทางกิเลสจะกลัวนอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาว้อยงค่ว่านึกว่าพากันมาทำความภาคเพียนแต่แล้วทำไมจึงพากันมานอนตายอยู่อย่างนี้ทั้งๆที่ทยังหายใจยอยู่หรือพระพวกนี้ พร้อมกับตายด้วยทั้งยังมีลมหายใจยอยู่อย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชยพอเทศจบลงก็มีพระองค์หนึ่งคิดขึ้นมาด้วยทิฐิในเวลานั้นว่าโอ้โหทําความเพียรขนาดถึงสลบสลายไปเช่นนั้นมันเกินไปถ้าจะเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเรายังไม่ไปนิพพานแม้จะทุกอยู่ในโลกก็ยอมทุกข์มันไปโลกเขาก็ทุกข์เหมือนกันไม่ได้ทุกข์เฉพาะเราคนเดียวลงถึงสลบสลายแล้วจึงจะได้ไปนิพพานเช่นนี้ใครจะไปสักกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เชิญไว้เถอะ สำหรับเราแล้วเป็นไม่ไปแน่เราอยู่ในโลกก็ไม่เห็นทุกถึงกับสลบ ก, ก็ทุกธรรมดาเหมือนโลกเขาทุกกันแต่ถ้าจะไปนิพพานต้องสลบได้ก่อนค่อยไปกันได้อย่างนี้ก็เท่ากับนิพพานคือยาสลบเปล่าดีๆนี้เองใครจะอยากไปเรานะ่ะไม่อยากไปแน่เพราะไม่อยากสลบเพียงเห็นเขาสลบ ก, ก็ครัวจะตายอยู่แล้วยังจะถูกเราเข้าไปอีกคนก็แย่ yeah. อีกพักหนึ่งธรรมเทศนาก็เริ่มขึ้นอย่างเผ็ดร้อนมาก เราวกับจะฉีกดิบๆสดสดเอาทีเดียวว่าท่านองค์นี้ไม่เชื่อผมหรือท่านเข้าใจว่าผมมาโกหก เ, เล่นๆอย่างนั้นหรือถ้าไม่เชื่อก็นิมนต์ไปเสียสิจะมาอยู่ให้หนักสํานักทําไมท่านมาเองผมไม่เด็นนิมนต์ท่านมาเมื่อไม่เชื่อก็ต้องไปเองอย่าให้ท่านได้ขับไล่แม้จะอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามิได้ประกาศไว้เพื่อสอนโมฆะบุรุษเช่นท่าน ความคิดแบบท่านไม่ควรนำมาคิดในเพศของพระที่กำลังอาศัยผ้าเหลืองเป็นอยู่เพราะผู้ทรงเพศนี้เป็นเพศที่เชื่อธรรมแต่ท่านมิได้เชื่อผมและเชื่อธรรมจึงคิดค้านความพ้นทุกข์ที่เป็นไปตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ได้สนุกกินสนุกนอนไม่ต้องทําความภาคเพียนให้ลําบากก่อนิมนต์ท่านไปที่นั้นถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมของจริงด้วยวิธีนั้นในสถานที่นั้นก็ข อ, อนิมนต์กลับมาโปรดผมคนกิเลสนาปัญญาทึก บ, บง จะยกมือสาธุสุดศอกสุดแขนและขอบบุญขอบคุณล่นเกล้าล่นกระหม่อมนั่นแลการสอนผมก็สอนด้วยความจริงว่าผู้หวังพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้อาถานไม่กลัวาตายแต่ท่านไม่เชื่อว่าเป็นความจริงจึงขอเกิดตายเพื่อแบกหามทุกข์อยู่ในโลกท่านอยากอยู่ในโลกกองทุกข์ก็เชิญท่านอยู่ไปแต่อย่ามาคัดข้างทางเดินของธรรมที่เป็นศาสดาสอโลกแทนพระพุทธเจ้าจะเป็นกวักน้ำทิ่มแทงพระศาสด า, าอันบริสุทธิ์และการทางเดินของหมู่ชน ผมตามเสด็จอยู่อย่างเต็มใจความคิดเห็นแบบท่านนอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนแล้วถ้าได้ระบายออกทางวาจายังจะเป็นฆ่าสึกแก่พระาศาสนาและประชาชนอย่างมากมายผมเข้าใจว่าท่านมาบำเพ็ญเพื่อ ส, ส่งเสริมตนและพระาศาสนาไม่ได้คิดว่าท่านจะมาคิดทำลายตนและพระาศาสนาตลอดมูชนที่เลื่อมสายธรรมของพระพุทธเจ้าเพิ่งทราบว่าท่านคือเพชฌฆาตสังหารตนแล ะ, ะาศาสนาอย่างย่อยยับ ถ้าไม่คิดแก้ไขเสียแต่ขณะ น, นี้ท่านจะเสียคนและยังจะทําให้ผู้อื่นเสียตามท่านอีกมากมายซึ่งน่าสลดและเสียดายอย่างยิ่งในพระประวัติมีว่าก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพระองค์สลปไปสามครั้งนั้นท่านเชื่อว่าเป็นความจริงหรือหาว่าพระองค์โกหกท่านเป็นคนทั้งคนและมาบวชเป็นพระธุตองทั้งองค์ไม่เชื่อธรรมและเจ้าของพระประวัติแล้วก็หมดคุณค่าทั้งมวลในตัวคนเพียงอยู่กับลมหายใจไปวันหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่ตายแล้วเพราะทิฏฐิพาให้ตายทั้งเป็นเหม็นทั้งที่ยังมีลมเดินอยู่ว่าอย่างไรละท่านจะเลือกทางไหนเดินเพื่อความสะดวกกล้าปลื่นและปลอดภยัยแก่ตัวเองเฉพาะผมแล้วไม่มีทางให้ท่านเดินยิ่งกว่านี้นอกจากที่แสดงวันนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกอราหาันทุกๆองค์ท่านเดินทางนี้ไม่มีทางพิเศษไปกว่านี้ผมก็เดินตามทางสายนี้นับแต่วันบวชและปฏิบัติมา แม้ทำที่นํามาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากทางสายนี้ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนยิ่งกว่าครั้งใดๆพร้อมด้วยเหตุผลประ น, นึ่งน้ําไหลไฟสว่างไปทั่วแดนลกกระถัดแต่นำมาลงพอประมาณไปเต็มตามความจริงที่ท่านแสดงในเวลานั้นบรรดาผู้ฟังแทบตัวจมลงพื้นใจสัน่นขวัญหายไปตามๆกันสติไม่อยู่กับตัวต่างคนต่างกลัวเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในชีวิตขณะที่ทันเทศที่เต็มบริเหตุผลและเผ็ร้อนอย่างถึงใจเช่นนั้น ทำให้ผู้ฟังเห็นจริงยอมจำนนและกลัวท่านมากเฉพาะผู้เป็นต้นเหตุก็เห็นจริงและยอมตนลงโดยลำดับจนยอมอย่างหมอบรากไม่มีทางโต้แยง้งการแสดงก็ค่อยๆลดความเผ็ดร้อนลงตามๆกันจนเลยลงมาถึงขั้นปลอบโยนไม่เห็นผู้นั้นยอมตอนแล้วพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วออกมาต่างถามกันวุ่นวายว่าใครนะหาไปคิดเรื่องพิษดาลเกินโลกทําให้ทันเทศใหญ่จนเสียงไม่เป็นเสียง จนกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไปได้ใครจะไปคิดขัดขานอะไรอย่างจังกับท่านท่านถึงได้เทศขนาดนี้ต้องมีทาไมมีท่านไม่เคยเทศถึงขนาดนี้ความคิดนั้นคงไปกระทบท่านอย่างแรงจนร่งางไม่อยู่ท่านถึงได้เปิดเต็มที่พระองค์นั้นก็เปิดเผยให้ฟังดังที่เขียนผ่านมาตามธรรมดาพระธุดงค์ท่านไม่ได้ปิดบงังความคิดความเห็นของตัวองค์ใดคิดอย่างไรเวลาถูกท่านเทศผ่านไปแล้วออกมาจากที่นั้น ขณะถามการท่านขอเราให้ฟังตามจริงท่านเป็นถนองนี้แท้ทุกองค์ท่านถือเป็นเรื่องขบขันและได้สติไปด้วยจากการเทศดูดาผู้คิดผิดยิ่งเวลาไปบินทบาตหรือไปกิจธุระต่างๆไปเจออะไรเข้าในที่ต่างๆกลับมาอารมณ์นั้นค้างมาและคอยกระสิบเขย่าให้คิดอยู่เสมอนั่นแลยิ่งสําคัญและลงเครื่องดัดาษนานถึงขนาดจนผู้ฟังด้วยกันต้องตกใจกลัว และหันหน้ามององค์นั้นองค์นี้ไปรอบๆไม่อยู่สงบสุขได้เฉพาะตัวการเองมือไม้และเอายยวะสั่นไปทั้งร่างทั้งกลัวท่านทั้งละอายหมู่เพื่อนตัวแทบหมอบติดพื้นเงยศรีรษะไม่ขึ้นพอออกมาก็รุมถามกันอีกและได้กว่าว่ามีผู้ก่อเหตุให้ท่านตรงเทศจนได้อย่างนี้เสมอคิดแล้วน่าสงสารเพราะไม่มีเจตนาแต่ปุถุชนคนธรรมดาเราไม่ใช่ไม้แห้ง ถูกแดดถูกฝนย่อมแสดงอาการร้อนอาการหนาวไปบ้างขณะที่คิดนั้นเนื่องจากสติตามไม่ทันเพราะใจเป็นสิ่งที่รวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบจึงต้องถูกท่านเข้นบ่อยๆเรื่องพระจิตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นนั้นท่านรู้สึกรวดเร็วมากเท่าที่เคยเห็นมาแล้วบรรดาพระที่เคยอยู่กับท่านมาแล้วไม่มีทางสงสัยท่านเกี่ยวกับความรู้ประเภทนี้ ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วและทั ก, กจิตของผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิดนอกจากท่านขี้เกียจทักบ่อยก็ปล่อยไปบ้านพอเราได้มีฤเวลาหายใจวิชนั้นคงอัดอั้นตันใจตายไปแน่ข้อนี้ผู้เขียนเคยโดนบ่อยกว่าเพื่อนเพราะความไม่อยู่เป็นสุขนั่นแหละเป็นสาเหตุผู้อดทนอยู่กับท่านนานๆย่อมได้กำลังทางจิตตะภาวนามีหลักใจมั่นคงเพราะถูกพุบถู ก, ก, กเข็นถูกตกตีอยู่เสมอ ความที่เคยระวังทํารวมใจยอยู่เป็นนิดย่อมกลายเป็นคนมีสติปัญญาขึ้นมาและสามารถต้านทานต่อเหตุการณ์ได้ถ้าเป็นวิชาทางโลกเรียกว่าเรียนและทดลองกับครูจนอยู่โยงคงกระพันชาตรีคืออยู่ปืนยืนดาบไม่สะทกสะทานเพราะฟันไม่เข้ายิงไม่ออกถ้าเป็นธรรมก็เรียกว่ายืนโยงคงที่ต่ออารมณ์ดีชั่วไม่กลัวว่าจิตจวันไหวพรั่นพึงเพราะสิ่งอยุ่โยนโกวนใจอยู่อย่างสุขโตในอิริยาบทต่างๆ แต่ใจปุถุชนเราพอพูดถึงนิพพานรู้สึกโหดโู่เหี่ยวแห้งพิกลไม่ฮาวหาน ร, ร่าเริงเหมือนพูดเรื่องงานอื่นๆที่นั่นที่นี่ทั้งนี้คงคิดว่าไม่สนุกสนาน ร, รื่นเริงเพราะไม่เคยเห็นเคยไปไม่เคยได้ไม่เคยได้เคยถึงเหมือนสิ่งจำเจทั้งหลายว่าจำต้องพูดถึงพวกเราที่เป็นลูกๆห ล, ลานๆว่าไม่อยากไปนิพพานกันแม้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราท่านยังไม่ค่อยอคิดอยากไปกันเลย ไม่ค่อยเห็นท่านชักชวนบ้านอย่างน้อยก็ชักชวนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอบรมธรรมใส่ใจพอเป็นผู้สงบงามตาบ้างไม่ประพฤติแสดงแทงใจจนเกินไปเรื่องอื่นๆท่านยังชักชวนชาวบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อมจนเบื่อจะฟังและปฏิบัติตามฉะนั้นคําว่านิพานคงคิดดาวลวงนากันไปอย่างไม่สงสัยว่าจะผิดว่านิพพานคือเมืองเงียบนั่นเองเพราะไม่มีปีมีคุยเครื่องขับกล่อมบำรงบำเรอ และผู้คอยนธนุถนอมเอาอกเอาใจเป็นเมืองไร้ชาติขาดรถที่โลกสงการเสียทุกอย่างจึงไม่ค่อยคิดอยากไปกันกลัวจะไปตกนรกเมืองสงบเงียบไม่มองเห็นหน้าใครพี่ป่าน้าอาสิงสาลาสัตว์เสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงราเสียงหเราะและร้องไห้ก็ไม่มีเป็นเมืองที่หมดความคาดหมายคลายความเะเยอทยานอยากเสียทุกอย่างผู้มีความหวังอยู่จึงไม่อยากไปกันแม้จะไปคงไปไม่ได้เพราะ ยังมีความหวังอันเป็นเครื่องเหนียวรัง้งยั้งใจไว้ว่าต้องรอท่านผู้ไปนิพพานได้คือท่านผู้หมดความหวังทางโลกาไม่โดยเส้นเชิงไม่ติดต่อก่อเรื่องราวใจไม่หนาวไม่ร้อนไม่หย่อนไม่ตึงมีความพอดีคือมัจจิมาโดยหลักธรรมชาติเป็นที่สถิตไม่มีความอยากความหวังความหิวโหยอิดโรยความรื่นเริงบันทงทั้งหลายอันเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิตใจให้ขุนโมวม่สม มีแต่ความสงบสุขอันลเอียดสุขุมไม่มีสิ่งใดๆมาเขย่าเย้าวยวนเหมือนจิตที่เจอด้วยโลกามิษซึ่งเป็นความสุขเพียงสุ่มๆเดาๆรุ่มๆดอ น, นๆสุขเพียงโยกๆคลอนๆคอยแต่จะหกจะล่มจะจมะหายไปไม่จีรังถาวรพอหายใจได้ถ้าเป็นน้ําก็ทั้งขุ่นทั้งโคลนถ้าเป็นอาหารก็ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งจืดทั้งเค็มไม่มีรสอร่อยเหมาะสมรับเข้าไปคอยแต่จะเป็นลม ทำให้ง่วงเงาห้าวนอนอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นสิ่งที่เคยสะพัดมาแล้วพอรู้รสของมันจึงควรไข้ครวนทดสอบความหนักเบาได้เสียของสิ่งนั้นๆบ้างพอมีทางระบายถ่ายเทพอประมาณส่วนไม่ดีจะไม่นอนจมอยู่ในจิตจนไม่มีที่เก็บเพราะมีมากเหลือประมาณมองไปมาทางใดเห็นแตะกองทุกที่ใจเที่ยวเก็บมาส่งสมไว้ถ้าปราดท่านฉลาดกว่าพวกเรามากในการปฏิบัติต่อตัวเองทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรถูกต้องจุด ที่มุ่งหมายท่านมาแยง้งไม่ฝืนไม่ขัดขืนความจริงทั้งไม่เห ย, ยียดยิงจองของไม่ลําพองตนว่าเก่งว่าดีเมื่อมีผู้เตือนสติท่านรีบยึดมาเป็นธรรมสอนตนผิดกับพวกเราอยู่มากราวฝากับดินจึงควรยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุมีผลไม่ยอมทําตามความอยากที่เคยมีอํานาจบนหัวใจมานานเมื่อพยายามฝ่าฝืนดัดแปลงใจให้เป็นไปตามทางของนักปรักต้องประสบผล คือความสุขในปัจจุบันทันตาแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้านแต่ก็พอมีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดีของตนเทติควรเพราะคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัยไม่จําต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์ตั้งมากมายหรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านมาเป็นเครื่องบ่มรุงโดยถ่ายเดียวถึงจะมีความสุขแม้ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบก็พอมีความสุขได้และอาจมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางไม่ชอบเสียอีก เพราะนั่นม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จรงิงทั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ตนรับรองแต่กฎความจริงคือกรรมสาบแช่งไม่เห็นด้วยและอํานวยผลเป็นทุกข์ในลําดับต่อไปไม่มีสิ้นสุดนักปราชญ์ท่านจึงกลัวกันนักหนาแต่คนโง่อย่างพวกเราผู้ชอบสุกเอาเผากินและชอบเห็นแก่ตัวจึงชอบทําการอุตลุดชนิดไม่มีวันอิ่มพอทั้งที่ไม่ประสบผลคือความสุขทางใจหมายแม้พยายามไปอย่างไม่ลดละเพียงไร ท่านพระอาจารย์มั่นคราพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่พระที่ตั้งใจปฏิบัติธุดงกรรมาฐานไปอยู่กับท่านไม่ค่อยมากนะเพราะท่านไม่ชอบออกมาเมืองมานาแถวนอกๆ อ, อยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาขณะที่ท่านอยู่เชียงใหม่ก็ได้รับจดหมายท่านจากคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีซึ่งเคยเป็นลูกศรริษย์ท่านมาแต่เล็กอาราธนานีมน์ให้ท่านกลับไปอยู่จังหวัดอุดรธานีหลายฉบับแต่ท่านทั้งไม่ตอบจดหมายทั้งไม่รับนีมนตลอดมา จนราพศ .2,482 ถึง 2,483 ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีอุดรธานีมาอาราธนานิมนต์ด้วยตนเองและเข้าไปจนถึงที่ท่านอาจารย์พักอยู่ท่านจึงตอบจดหมายท่านเจ้าคุณทุกฉบับในเวลาเดียวกันว่าจดหมายท่านเจ้าคุณส่งมาผมได้รับทุกฉบับแต่เป็นจดหมายเล็กเห็นว่าไม่สําคัญจึงไม่ได้ตอบแต่คราวนี้จดหมายใหญ่มาคือท่านเจ้าคุณมาเองผมจึงตอบ ว่าแล้วท่านก็หัวเราะท่านเจ้าคุณก็หัวเราะเช่นกันพอได้โอกาสท่านเจ้าคุณก็รัฐนานิมนต์ท่านอาจารย์ให้กลับไปโปรดที่อุดรซึ่งท่านได้จากมาเป็นเวลาหลายปีแล้วบรรดาสารวัสิ์ทางอุดรคิดถึงท่านมากขอให้ท่านเจ้าคุณมารัฐนาในนามของชาวอุดรคราวนี้ท่านขัดไม่ได้จึงจำต้องรับนิมนต์จากนั้นท่านเจ้าคุณกราบเรียนกำหนดการมารับท่าน ตกลงกันต้นเดือนพฤศจิกาคม24งพปสสองเป็นระยะเวลามารับท่านก่อนท่านอาจารย์จะจากที่พักออกมาวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่พวกครุขเทวดาจำนวนมากพากันมาราตนาวิงบอลขอให้ท่านพักอยู่ที่นั้นต่อไปยังไม่อยากให้ท่านหนีไปไหนเขาบอกว่าเวลาท่านอยู่ที่นั้นพวกเทวดาทุกชั้นทุกภูมิได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันเพราะอํานาจเมตตาทำท่านแผ่ครอบทั่วทุกที่ทุกทาง ทั้งกลางวันกลางคืนเทวดาทั้งหลายมีความสุขมากและเคารพรักท่านมากมายไม่อยากให้ท่านจากไปเมื่อท่านจากไปแล้วความสุขที่พวกเขาเคยได้รับจากท่านจะลดลงแม้การปกครองกันข้อไม่สะดวกเหมือนที่ท่านยังอยู่ท่านได้บอกกับเทวดาทั้งหลายว่าเป็นความจําเป็นที่จะต้องจากไปเพราะได้รับคํานิมนต์แล้วว่าไปจําต้องไปตามความสัตย์ความจริงจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ คำพูดของพระไม่เหมือนคำพูดของโลกทั่วไปพระเป็นผู้มีศีลต้องมีสัตว์ถ้าขาดคำสัตว์ศีลก็กลายเป็นศูนย์ไปทันทีไม่มีอะไรเหลืออยู่ในองค์พระฉะนั้นพระต้องรักษาสัตว์ศีลพอตกเดือนพฤษภาคมท่านกับคณะลูกศิษย์ที่จะติดตามไปอุดรด้วยเริ่มออกเดินทางจากที่พักออกมาวัดจหลวงและพักที่นั่นฝ่ายพระอาจารย์อุน่นวัดทิพรานิมิต กับคณะญาติโยมชาวอุดรที่มารับท่านก็มาถึงในระยะเดียวกันท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงราวหกเจ็ดคืนขณะพักอยู่ที่นั้นมีคณะสตาชาวเชียงใหม่ที่มีความเลื่อมใสในท่านได้พร้อมกันมาอาราธนานิ ม, มนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นั้นนานๆเพื่อโปรดเมตตาชาวเชียงใหม่ต่อไปแต่ท่านรับนิ ม, มนต์ไม่ได้ท่านองเลียวกับเทวดาอาราธนาเพราะได้รับนิ ม, มนต์เสร็จแล้วก่อนจะจากเชียงใหม่ท่านจะคุณราชกุี และคณะศรัทธาเชียงใหม่ราธนาท่านขึ้นแสดงธรรมในวันวิสาขะเป็นการต้นเพื่อไว้อะไรสำหรับศรัทธาทั้งหลายซึ่งผู้เขียนก็ไปถึงเชียงใหม่ในระยะเดียวกันได้ฟังเทศท่านด้วยความสนใจอย่างยิ่งท่านแสดงธรรมสามชั่วโมงพอดีถึงจบกันท่านเทศเป็นที่จับใจอ ย, ย่างฝังลึกยังไม่มีเวลาลบเลือนตลอดมาถึงปัจจุบันใจความสำคัญของธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นมีว่า วันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และดับขันพระนิพพานเราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้าเกิดกับสัตว์โลกเกิดต่างกันมากตรงที่ท่านเกิดแล้วไม่หลงโลกที่เกิดที่อยู่และที่ตายมิหนำยังกลับรู้แจ้งที่เกิดที่อยู่และที่ตายของพระองค์ด้วยพระปัญญาญาณโดยตลอดทั่วถึงที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นเองเมื่อถึงการอันควรจากไป ทรงลาขันที่เคยอาศัยเป็นเครื่องมือบำเพ็ญความดีมาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วจากไปแบบสุกโตสมเป็นศาสดาของโลกทั้งสามไม่มีที่หน้าตำหนิแม่นิดเดียวก็เสด็จจากไปโดยพระกายที่หมดทนทางเยียวยาก็ได้ประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนศาสดาซึ่งเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาคู่พึ่งเป็นพึงตายถวายชีวิตจริงๆเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจ อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัวโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปชาติต่ำซำที่ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม่ตกความสูงสัก์ความตามาม่ำซำความสุขทุกขั้นจนถึงบรมสุขและความทุกข์ทุกขั้นจนเข้าขั้นมหันตทุกเหล่านี้มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ท่าตนเองทําให้มีอย่าเข้าใจว่าจะมีได้เฉพาะผู้กําลังสวยอยู่เท่านั้น โดยผู้อื่นมีไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติจำเพาะของผู้ผลิตผู้ทำก็ได้ฉะนั้นท่านจึงสอนมาให้ดูถูกเหยียดยามกันไม่เห็นเขาตกทุกข์หรือกําลังจนจนน่าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอํานาจหลีกเลี่ยงได้เพราะการรมดีชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่น และผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นที่เราเป็นและเคยเป็นศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างมั่นยำและเป็นวิชาเครื่องเลือกเฟ้นได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือนนับแต่บวชและปฏิบัติมาอย่างเต็มกาลังจนถึงวันนี้มีได้ลดละการตรวจตราเลือกเฟ้นสิ่งดีชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวการพาสร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ทา มีใจเป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมวลไม่มีทางสงสัยผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือคนลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้คนประเภทนั้นแม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขามองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้างแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนซึ่งกำลังรกโรคอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้น ไม่สนใจคิดว่าเขาเกิดและเติบโ ต, ตมาจากท่านทั้งสองซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิต จ, จิตใจเขาให้เจริญเติบโ ต, ตมาจนถึงปัจจุบันการดื่มและการรับประทานอาหารทุกประเภทล้วนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความเจริญเติบโ ต, ตแก่ร่างกายให้เป็นอยู่ตามการของมันการทําเพื่อร่างกายถ้ามจัดว่าเป็นกรรมคือการทําจะควรจัดว่าอะไรสิ่งที่ร่างกายได้รับมาเป็นประจำถ้าไม่เรียกว่าผลจะเรียกว่าอะไร จึงจะถูกต่างฝั่งจริงดีชั่วสุขทุกที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมาตลอดสายถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้วจะเป็นมาได้ด้วยอะไรใจอยู่เฉยๆไม่คนองคิดในลักษณะต่างๆอันเป็นทางมาแห่งดีและชั่วคนเราจะกินยาตายหรือฆ่าตัวตายได้ด้วยอะไรสาเหตุแสดงอยู่อย่างเต็มใจที่เรียกว่าตัวกรรมและทาคนจนถึงตายยังไม่ทราบว่าตนทากรรมแล้ว ถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอดจะควรเรียกว่าอะไรกรรมอยู่กับตัวและตัวทํากรรมอยู่ทุกขณะผลก็เกิดอยู่ทุกเวลายังสงสัยหรือไม่เชื่อก ร, รมว่ามีและผลแล้วก็สุดทันทานถ้ากรรมวิ่งตามคนเหมือนสุนัขวิ่งตามเจ้าของก็เรียกว่าสุนัขเท่านั้นเองไม่เรียกว่ากรรมนี่กรรมไม่ใช่สุนัขแต่คือการกระทําดีชั่วทางกายวาจาใจต่ า, างหากผลจริงคือความสุขทุกทีกท่ได้รับกันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรม รู้แต่กระทำคือหาอยู่หากินที่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคลการ น, นี้ผู้เขียนได้ฟังด้วยตัวเองอย่างถึงใจจากความสนใจใฝ่ฝันในองค์ท่านมานานจึงได้นํามาลงเพื่อท่านผู้ไม่ได้ฟังจะได้อ่านกรรมตัวเองบ้างบางทีอาจเหมือนกรรมของผู้อื่นซึ่งต่างเป็นนักสร้างกรรมเหมือนกันพอเทศนาจบลงจากธรรมาทิยเดินมากราบพระประธาน ท่านจะคุณราชกโกยีเรียนขึ้นว่าวันนี้ท่านอาจารย์เทศใหญ่สนุกฟังการเรียนที่สำหรับครั น, นี้ท่านตอบว่าเทศซ้ำท้ายความแก่อาไมีใหญ่บ้างต่อไปจะไม่ได้มาเทศอีกเวลานี้ก็แก่มากแล้วท่านพูดนี้เหมือนเป็นอุบายบอกว่าจะไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกแล้วในชีวิตนี้เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาคือท่านไม่ได้กลับไปอีกจริงๆสมกับคาว่าเทศซ้าท้ายความแก่ ผู้เขียนรู้สึกปิติทราบซึ่งในองค์ท่านและทาท่านแทบตัวลอยและมองดูท่านไม่มีเวลาอิ่มพอดังได้เขียนความไม่เป็นท่าของตนลงในหนังสือทางร่มเย็นบ้างแล้วท่านพักอยู่วัดเจดีหลวงพอควงเจียการแล้วก็ออกเดินทางมามากรุงเทพขณะออกจากวัดมีสัเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมธโรวัดประสีมห า, าธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งเวลานั้นเป็นพระราชกวี และพระผู้ใหญ่ตลอดศรัทธาญาติโยมตามทรงท่านมากมายและมีเทวดาเป็จนจํานวนมากตามทรงท่านไปสถานีรถไฟท่านว่าบนอากาศทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเต็มไปด้วยเทวดาที่เหาะลอยตามทรงท่านแม้ไปจนถึงสถานีแล้วก็ยังไม่ผ่ากันกลับไปภูมิฐานของตนยังคงยับยั้งรอคอยตามทรงท่านอยู่ในอนอากาศจนถึงเวลารถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานี ท่านว่าชมลมนุ่วุ่นวายพอดูทั้งจะแสดงอาการต้อนรับประชาชนพระเนรที่ตามส่งเป็นจํานวนมากทั้งจะแสดงกิริยาทางใจเพื่ออวยใจให้พรแก่เทวดาทั้งหลายที่เหาะลอยและและยับยั้งอยู่ในอากาศเพื่อรับพรจากท่านเป็นวาระสุดท้ายพอปฏิสันถานกับประชาชนเสร็จและรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีแล้วจึงได้ปฏิสันฐานและอวยพรให้แก่เทวดาทั้งหลายบนรถไฟ ท่านว่าน่าสงสารเทวดาบางรายที่เกิดความเลื่อมใสในท่านมากไม่อยากให้ท่านจากไปแสดงความกระวนกระวายระสํารสายและเสียอกเสียใจเช่นเดียวกับมนุษย์เราดีๆนี่เองเทวดาบางพวกอุตสาเหาะลอยตามส่งท่านไปไกลตามขาบวนรถไฟที่กําลังวิ่งตามรางไปอย่างเต็มที่จนท่านต้องกําหนดจิตบอกให้พากันกลับไปทิ้นฐานของตนจึงให้พากันกลับด้วยความอาลัยอาวร์ยังไม่มีจุดหมาย ว่าท่านจะได้กลับมาเมตตาโปรดอีกเมื่อไรหรือไม่สุดท้ายก็พากันหมดหวังเพราะท่านไม่ได้กลับไปอีกและท่านก็ไม่ได้พูดเลยว่าพุกกเทวดาทางเชียงใหม่ได้พากันไปฟังเทศเวลาท่านไปอยู่อุดรและสกลนครแล้วพอรถไฟถึงกรุงเทพเข้าพักวัดบรมนิวาตามคาสั่งทางธรรเล ข, ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์นงเล็บติดโสอ้วนวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานาคร ที่บอกไปว่าให้ท่านไปพักวัดป ร, รมก่อนเดินทางไปอุดรใ น, นระยะที่พักอยู่ที่นั้นปรากฏว่ามีคนมาถามปัญหากับท่านมากมีปัญหาของบางรายที่แปลกกว่าปัญหาทั้งหลายจึงได้นํามาลงมีใจความว่ า, วาได้ทราบว่าท่านรักษาศีลองค์เดียวม่ได้รักษาถึง221องค์เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากันใช่ไหมท่านตอบว่าใช่อาตมารักษาเพียงอันเดียว เขาถามว่าที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะไรท่านตอบว่าคือใจเขาถามว่าส่วน227นั้นท่านไม่ได้รักษาหรือท่านตอบว่าอาตมารักษาใจไม่ให้คิดพูดทําในทางผิดอันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้จะเป็น227หรือมากกว่านั้นก็าตามบรรดาที่เป็นข้อทรงบัญญัติห้ามอาตมาก็ยินใจว่าตนไม่ได้ทําผิดต่อพุทบัญญัติ ส่วนท่านผู้ใดจะว่าอัตมารักษาศีล227หรือไม่นั้นสุดแต่พว้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตนเฉพาะอัตมาได้รักษาใจอันเป็นประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกดขันตลอดนอนนับแต่เริ่มอุปสมบทถามว่าการรักษาศีลต้องรักษาใจด้วยหรือท่านตอบว่าถ้าไม่รักษาใจจะรักษาอะไรถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงามได้นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้นจะไม่ต้องรักษาใจ แม้กายวาจาก็ไม่จําต้องรักษาแต่ความเป็นเช่นนั้นของคนตายนักปราท่านไม่ได้เรียกว่าเขามีศีลเพราะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องส่อสแสดงออกถ้าเป็นศิลได้ควรเรียกได้เพียงว่าสินคนตายซึ่งไม่สําเร็จประโยชน์ตามคําเรียกแต่อย่างใดส่วนอาตมาไมิใช่คนตายแต่รักษาศีลแบบคนตายนั้นไม่ได้ต้องรักษาใจให้เป็นศิลเป็นธรรมสมกับใจเป็นผู้ส่งไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัวเขาถามว่า ได้ยินในตำราว่าไว้ว่ารักษากายวาจาให้เ ร, รียบร้อยเรียกว่าศีลจึงเข้าใจว่าการรักษาศีลไม่จําต้องรักษาใจก็ได้จึงได้เรียนถามอย่างนั้นท่านตอบว่าที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ถูกแต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลได้นั้นต้นเหตุเป็นมาจากอะไรถ้าไม่เป็นมาจากใจผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูกเมื่อเป็นมาจากใจ ใจจะควรปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้างจึงจะควรเป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้เป็นศินเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตัวเองแก่ตนเองและน่าเคารพเลื่อนสายแก่ผู้อื่นได้ไม่เพียงแต่สินธรรมที่จำต้องอาศัยใจเป็นผู้คอยควบคุมรักษาเลยแม้กิจการอื่นๆจำต้องอาศัยใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่โดยดีการงานนั้นๆจึงจะเป็นที่เรียบร้อยไม่ผิดพลาดและทรงคุณภาพโดยสมบูรณ์ตามชนิดของมันการรักษาโรค เขายังค้นหาสมุดฐานของมันจะควรรักษาอย่างไรจึงจะหายได้เท่าที่ควรไม่เป็นโรคเรื้อรังต่อไปการรักษาศีลธรรมไม่มีใจเป็นตัวประธานพาให้เป็นไปผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยศีลขาดศีลทลุความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวชทำพาอยู่ทำพาไปยังไม่มีจุดหมายทำบอ่อทำบ้าทำแตกซึ่งล้วนเป็นจุดที่าศาสนาจะพลอยได้รับเคราะหกรรมไปด้วยอย่างแยกไม่ออก ไม่เป็นศิลธรรมอันน่าอบอุ่นแก่ผู้รักษาและไม่น่าเลื่อมสใสแก่ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเลยอัตมาไม่ได้ศึกษาลเล่าเรียนมากปวดแล้วอาจารย์พาเที่ยวและอยู่ตามป่าตามเขาเรียนธรรมก็เรียนไปกับต้นไมายยา้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารหินผาหน้าธรรมเรียนไปกับเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆตามทัศนียภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองไม่ค่อยได้เรียนในคัมภีรใบลานพอจะมีความรู้แตกฉานทางศิลธรรม การตอบปัญหาจึงเป็นปลายถามนิสัยของผู้ศึกษาททันเถื่อนรู้สึกจนปัญญาที่ไม่สามารถค้นหาธรรมที่ไพเราะเหมาะสมมาอธิบายท่านผู้สนใจฟังอย่างภูมิใจได้พอาถามท่านว่าคำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรและอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงท่านตอบว่าความคิดในแง่ต่างๆอันเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควรระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปนในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษาในลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติไม่ขนองทางกายวาจาใจให้เป็นกุรยาที่น่าเกลียดนอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็ยากจะเรียกให้ถูกได้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงเพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันในยาก ไมเหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนลยางที่พอจะแยกกันออกได้ไม่ยากนะักว่านั่นคือตัวบ้านเรือนและนั่นคือเจ้าของบ้านส่วนศินกับคนจะแยกจากกันนั้นเป็นการลําบากเฉพาะอาตมาแล้วแยกไม่ได้แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศินก็แยกกันไม่ออกถ้าแยกออกได้ศิลก็อาจกลายเป็นสินค้ามีเกลื่อนตลาดไปนานแล้วและอาจจะ มีโจรมาแอบขอโมยสินทรามไปขายจนหมดเกลี้ยงเกตัวไปหลายรายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สินธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุของความเดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆทําให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเอื่มระ้าที่จะแสวงหาสินทรามกันเพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภยัยดังนั้นความไม่รู้ว่าอะไรเป็นสินอย่างแท้จริงจึงเป็นอุบายวิธีหลีกภยัยอันอาจเกิดแก่ศินและผู้มีศีลได้ทางหนึ่งอย่างแยบยลและเย็นใจ อาตมาจึงไม่คิดอยากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะระวังภยัยยากแยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกอยู่สบายไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องเป็นห่วงว่าศีลจะหายตัวจะตายจากศีลแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับคนเป็นห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้ฉะนั้นพระมหาเถระถามปัญหาท่านพระอาจารย์มั่น โอกาสว่างๆพระมหาเถระสั่งพระมาอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มั่นไปหาเพื่อสำมโธธนิยกถาเฉพาะโดยปราศจากผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องพระมหาเถระถามประโยกแรกว่าท่านชอบอยู่แต่ผู้เดียวในป่าในเขาไม่ชอบเกี่ยวข้องกังวลกับพระเนนตลอดคละวา่าดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านไปศึกษากับใครจึงจะผ่านปัญหานั้นนนั้นไปได้แม้ผมเองอยู่ในพระนครที่เต็มไปด้วยนักปราเจ้าตํำรับตารา พอช่วยปัดเป่าข้อคองใจได้บางคราวยังเกิดความงงงันอั้นตุกไปได้ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ให้ตกไปได้ยิ่งท่านอยู่เฉพาะองค์เดียวเป็นส่วนมากตามที่ทราบเรื่องตลอดมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาท่านศึกษาปรารภกับใครหรือท่านจัดการกับปัญหานั้นๆด้วยวิธีใดนิมนต์อธิบายผมฟังด้วยท่านเหล่าว่าท่านกราบเรียนด้วยความอาถรรพ์เต็มที่ไม่มีสะทกสถานเลยเพราะได้ศึกษาจากหลักธรรมชาติอย่างนั้น จึงกราบเรียนท่านว่าขอประทานโอกาสกล่าวฟังธรรมและศึกษาธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอิระยาบวต่างๆนอกจากหลับไปเสียเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาใจกับธรรมก็เข้าสัมผัสกันทันทีขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่หัวใจจะว่างอยู่เปล่าๆเลยมีแต่การถกเถียงโต้อตอบกันอยู่ทั้งนั้นปัญหาเก่าตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาการถอดถอนกิ่เดีก็เป็นไปในระยะเดียวกันกับปัญหาแต่ละข้อตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับ รบการกับกิเลสใหม่ปัญหาทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งวงกว้างวงแคบทั้งวงในวงนอกทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดล้วนเกิดขึ้นและปะทะกันที่หัวใจใจเป็นสถานที่รบค่าสึกทั้งมวลและเป็นที่ปลดปลื้องกิเลสทั้งปวงในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไปที่จะมีเวลาไปคิดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไปศึกษาปรารภกับใครนั้นเกล้าไม่ได้สนใจคิดให้เสียเวลา ยิ่งไปกว่าจะตั้งท่าฆ่าฟันห้ามหันกันกับปัญหาซึ่งเป็นชาของกิเลสแฝงมาพร้อมให้สบั้นหันแหลกกันลงไปเป็นทอดๆและถอนกิเลสออกได้เป็นพักดเท่านั้นจึงไม่วิตกกังวลกับหมู่คณะว่าจะมาช่วยแก้ไขปลดปลื้งกิเลสออกจากใจได้รวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและฝึกซ้อมอยู่กับตนตลอดเวลาคําว่าอัตตาหิอัตโนนาโถต้นเป็นที่พึ่งของตนนั้นกล้าวได้ประจักใจตัวเอง ขณะปัญหาแต่และข้อเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขกันลงได้ทันท่วงทีด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดกับตนโดยเฉพาะไม่ได้ไปเที่ยวคว้ามาจากตรรราหรือขัมภีใดในขณะนั้นแต่ธรรมคือสติปัญญาใ น, ในหลักธรรมชาติหากพูดออกมารับออกรบและแก้ไขกันไปในตัวและผ่านพ้นไปได้โดยลำดับไม่อับจนแม้จะมีอยู่บ้างที่เป็นปัญหาลึกลับและสลับซับซ้อนที่จำต้องพิจารณากันอย่างละเอียดอ่อนและกินเวลานา น, านหน่อย แต่ก็ไม่พ้นกําลังของสติปัญญาที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วไปได้จําต้องทลายลงในเวลาหนึ่งจนได้ด้วยเหตุดังที่กล้าเปลี่ยนมากล้าจึงไม่ได้สนใจใฝ่ฝันในการอยู่กับหมู่คณะเพื่ออาศัยเวลาเกิดปัญหาจะได้ช่วยแก้ไขแต่สนใจใยดีต่อการอยู่คนเดียวความเป็นผู้เดียวเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจเป็นสิ่งที่พอใจแล้วสําหรับกล้าผู้มีวาสนาน้อยแม้ถึงคราวเป็นค ร, คราวตายก็อยู่ง่ายตายสะดวกไม่ผลาญพลังห่วงหน้าหงหลัง สิ้นลมแล้วก็สิ้นเรื่องไปพร้อมๆกันต้องขอประธานโทษที่เรียนทางความโง่ของตนจนเกินไปเพม่มีความแยบคายแสดงออกพอเป็นที่นาฟังบ้างเลยท่านว่าพระมหาเถระฟังท่านกราบเรียนอย่างสนใจและลืมสายในธรรมที่เล่าถวายเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับอนุโมทนาว่าเป็นผู้สามารถสมกับชอบอยู่ในป่าในเขาคนเดียวจริงๆธรรมที่แสดงออกท่านว่าจะไปเที่ยวคนดูในคำพีไม่มีวันเจอ เพราในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดจากใจอันเป็นธรรมในหลักธรรมชาติต่างกันอยู่มากแม้ธรรมในคัมภีร์ที่จารึกมาจากพระโอษของพระเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์เพระผู้จารึกเป็นคนจริงคือเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระโอษแต่พอตกมานานๆผู้จารึกต่ อ, ตอมาอาจไม่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเหมือนรุ่นแรกธรรมจึงอาจมีทางลดคุณภาพลงตามส่วนของผู้จารึกพาให้เป็นไปฉะนั้นธรรมในคำพี์กับธรรมที่เกิดขึ้นจากใจยอย่างสดๆร้อนๆ จึงน่าจะต่างกันแม้เป็นทํามด้วยกันผมหายสงสัยในข้อที่ถามท่านด้วยความโง่ของตอนแล้วแต่ความโง่ชนิดนี้ทําให้เกิดประโยชน์ดได้ดีเพราะถ้าไม่ถามแบบต้อโ ง, โงก่ก็จะไม่ได้ฟังอุบายแบบฉลาดแหลมคมจากท่านวันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายทั้งความโง่และซื้อทั้งความฉลาดหรือจะเรียกว่าถ่ายความโงข่ขาวออกไปไล่ความฉลาดเข้ามาก็ไม่ผิดผมยังสงสัยอยู่อีกเป็นบางข้อคือที่ว่า พระสาวกท่านทูลลาพระาศาสดาออกไปบําเพ็ญอยู่ในที่ต่างๆเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลับมาเฝ้าทูลถามเพื่อทรงช่วยชี้แจงปัญหานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจและทูลลาออกบำเพ็ญตามอัธยาศัยนั้นเป็นปัญหาประเภทใดพระสาวกจึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยตัวเองต้องมาทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยชี้แจงแก้ไขท่านกล่าวเปลี่ยนว่าเมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลานานนิสัยคนเราที่ชอบหวังเพิ่งผู้อื่น ย่อมจะต้องดำเนินตามทางรัฐ ด, ด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตัวเองพยายามไปโดยลําพังนอกจากทางไกลไปมาลำบากจริงๆก็จําต้องตะกีดตกายไปด้วยกําลังสติปัญญาของตนแม้จะช้าบ้างกว่าทนเอาเพราะพระ พ, าาพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นโดยตลอดทั่วถึงทรงแก้ปัญหาข้อคงใจย่อมทําให้เกิดความกระจายแจ้งชัดและได้ผลรวดเร็วผิดกับที่แก้ไขโดยลําพังไปไหนๆดังนั้นบรรดาสาวที่มีปัญหาข้องใจจึงต้องมาทูลถาม ให้ทรงพระเมตตาแก้ไขเพื่อผ่านไปได้อย่างรวดเร็วสมปรารถนาแม้กระผมเองถ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และอยู่ในฐานะจะพอไปเฝ้าได้ก็ต้องไปและทูลถามปัญหาให้สมใจที่อยู่กระหายมานานไม่ต้องมาถูถ่ายคืบคลานให้ลำบากและเสียเวลาดังที่เป็นมาเพราะการวินิจฉัยโดยลำพังตัวเองเป็นการลำบากมากแต่ต้องทาเพราะไม่มีที่พึ่งนอกจากตัวต้องเป็นที่พึ่งของตัวดังที่เรนแล้ว ความมีครูอาจารย์สั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำคอยให้อุบายทําใหผ้ผู้ปฏิบัติตามดําเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็วผิดกับการดําเนินไปแบบสุ่มเดาโดยลำพังตนเองอยู่มากทั้งนี้กล่าวเห็นโทษในตัวในตัวกล่าวเองแต่ก็จําเป็นเพราะไม่มีอาจารย์คอยให้อุบายสั่งสอนในสมัยนั้นทําไปแบบดุ่นเดาและร่มลุกคุกคลานผิดมากกว่าถูกแต่สําคัญที่ความหมายมั่นปั้นมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวอาจหานมาก ไม่ยอมลดละล่าถอยจึงพอมีทางทําให้สิ่งที่เคยครุขระมาโดยลําดับค่อยๆกลับคลายคลายตัวออกทีละเล็กละน้อยพอให้กว่าพอให้ความราบรื่นชื่นใจได้มีโอกาสคืบคลานและเดินได้เป็นลําดับมาพอได้ลืมตาดูโลกดูธรรมได้เต็มตาเต็มใจดังที่เรียนให้ทราบตลอดมาปัญหาระหว่างพระมหาเทระ ย, ยังมีอยู่อีกแต่ที่เห็นว่าสําคัญได้นำมาลงบ้างแล้วจึงขอผ่านขณะท่านพักอยู่กรุงเทพ มีผู้มาอาราธนานิมตดไปฉันในบ้านเสมอแต่ท่านขอผ่านเพราะไม่สะดวกแก่การปฏิบัติต่อรธุรกิจประจําวันหลังจากฉันเสร็จแล้วพอควรแกร่การแล้วท่านเริ่มออกเดินทางมาพักโคราชตามคําอาราธนาของคณะสธาชานครราชศิลมาพักที่วัดป่าสารวันขณะพักอยู่ที่นั้นก็มีท่านผู้สนใจมาถามปัญหาหลายรายมีปัญหาที่นางที่อยู่ข้อหนึ่งผู้เขียนฟังจากท่านแล้วยังจําได้ไม่หลงลืม รอยปัญหานั้นจะกลับมาเป็นประวัติท่านอีกก็อาจเป็นได้จึงบันดาลไม่ให้หลงลืมทั้งที่ผู้เขียนเป็นคนชอบหลงลืมเก่งปัญหานั้นเป็นเชิงยังหาความจริงในท่านว่าจะมีความจริงมากน้อยเพียงไรสมคําเล่าลือของประชาชนหรือหาไม่เจ้าของปัญหาก็ลูกศิด็จกรรมฐานเพื่อมุ่งหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจจริงๆเริ่มต้นปัญหาว่าเท่าที่ท่านอาจารย์มาโคราคะคราวนี้ เป็นการมาเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนตามควนิมนต์เพียงอย่างเดียวหรือยังมีหวังเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ด้วยในการรับนิมนต์คราวนี้ท่านตอบว่าอาตมาไม่หิวอาตมาไม่หลงจึงไม่หาอะไรให้ยุ่งไปอันเป็นการก่อทุกข์ใส่ตัวคนหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้จึ ง, ว, งวิ่งวิหห่งหานุ่นหานี่เจออะไรก็กว้าติดมือมาโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูกครั้นแล้วสิ่งที่กวามาก็มาเผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟ อาตมาไม่หลงจึงไม่สแสวงหาอะไรควรที่หลงจึงต้องสแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหาจะหาไปให้ลำบากทําไมอะไราแล้วก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจะตื่นเงาและตระษบเงาไปทําไมเพราะรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ก็มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้วและรู้จนหมดสิ้นแล้วจะหาอะไรกันอีกถ้าไม่หลงชีวิตลมหายใจยังมีและผู้มุ่งประโยชน์กับเรายังมีก็สงเคราะห์กันไปอย่างนั้นเอง หาคนดีมีธรรมในใจนี่หายากยิ่งกว่าหาเพชรนินจินดาไปไหนๆได้คนเป็นคนเพียงคนเดียวเรียมีคุณค่ามากกว่าได้เงินเป็นล้านๆเพราะเงินล้านๆไม่สามารถทําความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีมาทําประโยชน์คนดีไม่เพียงคนเดียวยังสามารถทําความเย็นใจให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืนเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดีแต่และคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกายกอง และเห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดถึงจะช่วยชาลามกหรือแสนสมมพิงอะไรก็ตามขนาดนยายโยมาบาลเกรงกลัวไม่อยากนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนจีพายก็ไม่ว่า ขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใดาบาปมีค่อยคิดบัญชีกันเองโดยคำวิยุงเกี่ยวคนดีกับคนชั่วและสมัติเงินทองกับธรรมคือคุณงามความดีผิดกันอย่างนี้แลใครมีหูมีตาก็รีบคิดเสียแต่บัดนี้อย่าทันให้สายเกินไปจะหมดหนทางเลือกเฟ้นการให้ผลก็ต่างการสุดแต่ก ร, รมของตนจํานวยจะทักท้วงหรือคัดค้านไม่ได้กรรมอํานวยให้อย่างใดต้องยอมรับเอาอย่างนั้น ฉนั้นัตวโลกจึงต่างกันทั้งพบกําเนิดรูปร่างลักษณะจารีณนิสัยสุขทุกข์อันเป็นสมบัติประจำตัวของแต่ละรายแบ่งหนักแบ่งเบากันไม่ได้ใครมีอย่างไรก็หอบพิบไปเองดีชั่วสุขทุกข์ก็ยอมรับไม่มีอ น, นาปฏิเสธได้เพราะไม่ใช่แง่กฎหมายแต่เป็นกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ทําขึ้นไม่ใช่กฎของใครไปทําให้ตัวทำเอาเองถามอาตมาเพื่ออะไรอย่างนั้น การตอบปัญหาท่านคราวนี้รู้สึกเข้มข้นพอดูมีทราบถางท่านเองและพระที่ติดตามเล่าให้ฟังรู้สึกว่าถึงใจและจะไม่ลืมเขาตอบท่านว่าขอประทานโทษพวกกระผมเคยได้ยินกิตติศักดิ์กิติคุณท่านอาจารย์โด่งดังมานานแล้วไม่ว่าหลวงอาจารย์หรือพระเนเองค์ใดตลอดคารวะใครพูดถึงอาจารย์ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาดังนี้จึงกระหายอยากฟังเมตตาธรรมจากท่าน แล้วได้เรียนถามไปตามความอยากความหิวแต่ไม่มีความฉลาดรอบคอบในการถามซึ่งอาจจะทําความเสียหายแก่ท่านอยู่บ้างกระผมก็สนใจปฏิบัติมานานพอสมควรจิตใจนับว่าได้รับความเย็นประจักษ์เรื่อยมาไม่เสียชาติที่เกิดมาพบพระศาสนาและยังได้กราบไหว้ครูอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษด้วยการปฏิบัติและคุณธรรมแม้ปัญหาธรรมที่เรียนถามวันนี้ก็ได้รับความแจ้งชัดเกินคาดหมาย วันนี้เป็นหายสงสัยเดินขาดตามภูมิของคนยังมีกิเลสที่ยังอยู่ก็ตัวเองเท่านั้นจะสามารถปฏิบัติให้ได้ให้ถึงมากน้อยเพียงใดท่านตอบซ้ำอีกว่าโยมถามมาอย่างนั้นอาตมาก็ต้องตอบไปอย่างนั้นเพราะอาตมาไม่หิวไม่หลงจะให้อาตมาไปหาอะไรอีกอาตมาเคยหิวเคยหลงมาพอแล้วครั้งปฏิบัติที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรโน้อนอาตมาแทบตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีใครไปเห็น จนพอลืมหูลืมตาได้บ้างจึงมีคนนั้นไปหาคนนี้ไปหาแล้วร่ำาลือกันว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้